ตอนนี้เป็นการถ่ายทอดสดเป็นพุกไลฟ์ผ่านผ่านเครื่องนะเป็นบนะุเกื่องจากวันนี้เป็นวันมาถ้าชาในค่ำคืนนี้นับสถานศึกษาทำป่านาโศกันจะไม่มีการเรียนเรียนเหมือนกับที่อื่นะแต่จะเป็นการสดับต่าฟังธรรมเทศนา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ญาติโยมเขาได้มารวมกันที่สระในครับคืนนี้แล้วก็เป็นเวลาที่ได้ตั้งใจมาฟังธรรมในบางส่วนที่มาแต่เนื่องจากว่าลมแรงอากาศเย็นมากๆเลยนะวันนี้รู้สึกค่อนข้างจเย็นเย็นแล้วก็หนาวก็ตัวโยมที่มีใจมาฝ่ารมแรงฝ่า ความหนาวเย็นมาพระก็เอาบอกหุมาให้นะลมพัดร้น ก, ก็ถือว่าใจเราเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธนะ์น้องใจมาแล้วอย่งางพื่ก็ไม่มีปัญหามาได้สภาพอากาศไ่เนี้ออนวยหรือมันัีิเหตุถัดพล้องอะไรก็คลายไปได้เพราะว่าใจเราผูนะ้ประสบในการฟังธรรม ญาติยโยมที่รับชมราฟังทางออนไลน์คนไครกระามในเวลานี้ก็ขออาจจะเดือรอนที่ติดตามกันอยู่เป็นประจำอาจจะเรียกชื่อไม่ไหวเพราะว่า เอาเพีของาู้ดาก็ได้ ขาคุณเพื่อปฏิบัติเป็นบูชาคุณรับสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีน้ำใจสงบระงับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนามีสติปัญญา สอนให้ทำทำสัมสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุกประกรันด้วยเถิ จันทรคติคือดวงจันทร์เป็นประมาณ8ข้างคือนับดวงจันทร์สวยเลิที่ในข้างขึ้นหรือข้างแรงนะันับ8ข้างกับ15ขั้นหรือ14ข้างในบางบางเดือนบางปัตบางฤดูกแลก็นับ14ข้างสิ่งเหล่านี้นเป็นความเชื่อมโยงกับมนุษย์เราที่จะลงชีวิตอยู่ในโลกเพราะโลกนี่คือ ดาวข้อหนึ่งดาวดวงหนึ่งในจักรวาลเป็นดาวโลกดวงจันทร์ก็ดาวดวงหนึ่งจะไม่มีมนุษย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวพลังงานดาวดาวสุกดาวเสาดาวฟูโตหรือดาวาวต่างๆทีเป็นจักรวาลที่การโคจรเป็นโลกของดวเดียวตามแนวสุริยะจักรวาลซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับมนุษย์พราะมนุษย์ก็คือ ผู้อาศัยแล้วเกิดขึ้นในดาวดวงโลกดาวโลกของเรามันมีความเป็นบริวารในการและกันโลกเราเป็นบริวารของดวงพาะจันทร์พต้องหมุนโคจรเรืทีทท่จะตึ้งอยู่ศูนย์กลางพระเจ้าทรงตรัสระบบดวงดาวจักรวาลเนี่ยซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับมนุษย์อยู่เหมือนกันเพราะว่า กอที่จะมีระบบจักรวาลนี้ขึ้นมาจักรวาลนี้ก็าเบบ้างบ้างเป่าเต็มไปด้วยความมืดมิดไม่มีมนุษย์ไม่มีเทวดาไม่มีสัตว์ประหลาดไม่มีเปรตปีศาจมิจสุระการไม่มีพรมีเพียงแค่อาวุสารจิตคือจิตที่มีรัศมีภายในอกตัวเองเท่านั้นเองระบบต่างๆในโลกนี้ไม่มีหรืจักรวาลไม่มีดวงดาวดวงจนทร์อะที่ไม่มีเมื่อมนุษย์ถลาย ได้ามาจาุดอีกอุบัติขึ้นในโลกโดยความบังเกิดขึ้นในภาวะเหตุา ก, การณ์ทางธรรมชาติโลกมนุษย์ตั้งขึ้นจึงมีการโปโจรกันไปเป็นระบบจักรวาลมีผู้ปวบคุมโดยที่เขามีสุริยะเทพวบทสุริยะเทวบทมีกิ่เทวดาสถิตดวงอาทิตย์จันทร์เทวบทกอเทวดาสถิตดวงจันทร์ก็มีแล้วก็เทวดาเหล่านี้ก็ไปจับมนุษย์เราเนี่ยซึ่งมนุษย์เรารู้สึกวา่าดวงจันทร์เป็นสีที่ดี ยินดีในดวงจันทร์ทำบุญกุศลแล้วไปวามเกิดอยู่บนดวงจันทร์ก็ได้คือดวงจิตดวงใจเป็นผู้ผู้กำหนดชะตาในการบังเกิดทาบุญคุณงามความดีแล้วส่งผลให้ไปเกิดอยู่ดวงจันทร์ก็ไปเป็นเทวดาที่สถิตดวงจันทร์อย่างเงี้ยเพราะนั้นเทวดาที่สถิดวงจันทร์เนี่ยเป็นเทวดาที่สถิดวงจันทร์เาจะเป็นเาจะพึงพอใจยินดีมนุษย์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในศีลผู้ที่รักษาศีลสีข้าวด แปดขัหรือสิบห้าขั้มอย่างนี้ยมีใจดีกับดวงจันทร์ที่มันโคจรเสวยเลิกตามลำดับแห่งปักฤดูปักนี้ขึ้นมาวัดช่วงแห่งวันเวลาที่ถึงถึงระยะการของมันแปดข้มหรือสิบห้าขั้มประเทศนี้เป็นวันที่กำหนดว่าเป็นวันพระเขาจะเอากำหนดหวายของดวงจันทร์นี้เป็นที่ตั้งเพื่อที่จะรวมจิตรวมใจกันมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญบุศน ซึ่งเรื่อเราที่มีมาก่อนพระพุทธศาสนานะละที่เดือดถีปริพาชคลัที่พราหเพราะว่าถือกันว่า8 5ดขั้นสิ้าั้ควรประชุมการเล้ยชุมกันที่สูตรถลายก็เรยกล่าวถพริุทธเจ้าว่าลัที่อื่นก็มีการประชุมกันทุกๆวันพราหมทุกทุกๆ8คขั้งแ5คร้าั้งแต่ทำไมพระพุทธศาสนาเราหรือว่าทางพุทธอง์ไปทรงบัญญัติการประชุมกัน พระองค์ก็เลยมาบัญญัติในภายหลังคณะบอาว่าบัญญัติสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกแต่ไม่ได้บัญญัติเพื่อทําตามโลกที่เขาเป็นพระพุทงหลายครังบัญญัติการประชุมกันเพื่อสาธยายเพื่อสวดมนต์เพื่อบูชายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาทําการเสร้นสูงบูชากราบไหว้กันแต่พระองค์ทรงบัญญัติให้มีการประชุมกันโดยการฟังธรร ม, ม ก, กัจฉาความธรรมนั่นเอง ศึกษาทางความทำกล่าวทำหากประชุมกันแล้วไม่กล่าวทำหรือไม่มีข้อทำใดๆที่จะกล่าวพ้กบอกว่าไม่ควรที่จะพูดถ้อยคาใดๆเลยหากถ้าไม่พูดธรรมะัะเพราะนั้นในวันที่8ค่ำ15ค่ำถ้ามาประชุมกันแล้วพวกจะบอกให้กล่าวทำมาตรฐานกล่าวค่อยคาที่ชักนําให้ตั้งอยู่ในธรรมถึงจะมีประโยชน์ถึงจะมีคุณค่านั่นคือความหมายหากประชุมกันแต่ไม่ยอม เก่าถให้ทําป็นพิธตั้งอยู่ในธรรมแล้วหรือไม่เก่าทําในกัรเรื่องัดไม่ไม่สนาาทนาครับกันพูดคุยกันในเรื่องธรรมไม่ซักซักไซเรลเลียมไถถามกันในเรื่องธรรมในเรื่องการปฏิบัติท่ า, านปฏิบัติกันยังไงท่านจะิกกินกันยังไงพิจารณาวกายยังไงที่นาขันยัไหไม่ไม่ไม่คุยกันเรื่องนี้ก็คือว่าเสียประโยชน์เสียเหตุผลที่วงโซงบางไว้ในันขั้น วันนี้นอกจากจะเป็นวันพระได้วยังเป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่คนเกิดขึ้นสองพันห้าร้อยกว่าปีในวันนี้ในวันเวลาวันคืนเดือนปีมันสอนให้เราได้รู้อะไรการกำเนิดของชีวิตมันมีเวลาเป็นเครื่องกาหนดภาวะโตขึ้นมาเรื่องข้าศึกษา จบการศึกษาทางการงานดำรงชีพเลี้ยงชีพมีภาระทางครอบครัวมีภาระทางการงานมีภาระต่างๆนานามากมายมีทรัพย์สมบัติสิ่งที่เราแสวงหามาได้ทีือข้ครอบครวก็เป็นของตนแก่ชราสุดท้ายก็ตายจบใช้เวลาเท่าไหร่ไม่เกินหนึ่งปีการวลาเวลากำหนดไว้อย่างนั้นคืออายุไขทมีการเกิดอีกก็เป็นทารกในครัเติบโตขึ้นมา เข้าเรียนเรียนจบทำการงานของมีครอบค ร, ร, รัวรับภาระต่างๆที่ร้น้นฝนหายอะไรก็คือการวิถีชีวิตที่มารดน้ำฝนเรียนอย่างนี้มันมันเป็นวีชีวิตที่สืบเนื่องมาแต่การระยะเวลาอันยีดยาวนานมาแล้วซึ่งแม้แต่พระโตกเองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าชีวิตคนคนหนึ่ง เคยเกิดมาแล้วแต่อดีตกานั้นมากน้อยเท่อไคือจุดเริ่มต้นแห่งการเกิดแล้วก็นับมาจนถึงเวลาเนี่ยมันกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีกี่อสงไข่ชาติที่เราได้เกิดขึ้มนมาพระเจ้าบอก ว, ว่ามันเกินอสงไข่อสศงไข่หมายถึงกานับให้ได้สังขยาแลว้ว่าการนับอ่านแต่ว่าไม่อสังขยาอาศงไขแ่แปลว่า ไม่สามารถที่จะ น, นับ ก, การเวลาแห่งการเกิดตายเกิดตายเกิดตายของบุคคลหนึ่งได้ว่ามากเท่าไหร่มันเลยล้านเลยโกรธเลยบึกเลยคือเลยก ล, ยกลยกับเลยกันเป็นอสงไข่นานมากแต่เราไม่รู้หรอกว่มามันนานเราเพิออ่งจะรู้ว่าเราเกิดที่บ้นเนี่ ย, ยนนในโลกนี้20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีเราเพิ่งจะรู้แค่นี้และอันจะไปข้างห น, น้าเราก็ไม่รู้อีกว่าจะไปอีกนานได้กี่ปี เรารู้แต่ว่าสิ่งที่เราผ่านมาได้นะผ่านมาได้กี่ปีเรารู้อยู่ที่ไหแสดงว่าการเวลาเนี่ยมันทำให้เราเรียรู้อะไรบางอย่างตอนเป็นทารกเราเรรู้อะไรบ้างเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยเราใช้ชีวิตแบบไร้สาระมากเราได้เราสนุกเราเพลิดเพลินเราจะจับสาระอะไรไปทารกไม่ได้โตขึ้นมาเข้าโรงเรียนแล้วก็พอจะมีสาระนิดหน่อยคือการเรียนคือเรื่องแสวงหาความรู้ข้อใส่ตนเองแล้วก็พอจะมีความรู้บ้าง เรียนชั้สูงเข้าไีกก็มีความรู้มากขึ้นแต่จะเรียกว่าอะไรคือความรู้ทางโลกก็าว่าความรู้ทางโลกคือความรู้ที่ทำใี่เราได้ดำรงชีพพอเป็นพอไปในโลกนี้หรือสร้างภาวะการงานเป็นเครื่องรองรับชีวิตความเป็นอยู่ของตนที่อยู่ในโลกนี้พอให้มันดีขึ้นพอให้มันมีความสุขมีความสบายหรือตอบสนองความต้องการตอบสนองความอยากตอบสนองสิ่งที่ปรารถนาได้เท่านั้นเองหากไม่มีความรู้เราก็ สร้างสิ่งต่างๆสร้างการงานที้เราได้สิ่งที่ตรงตามความปรารถนาได้ยากหรือได้แค่เพียงแค่ปรารถนาไว้ก็ไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ที่จะไปสร้างการงานให้ให้สิ่งนั้นมาความรู้ทั้งโลกก็เป็นอย่างเนี้คือทําให้เราดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ได้พอพ้นพ้พนพ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากในการเป็นอยู่แต่ไม่ได้อ้พนพทุกที่เป็นตัวทุกที่มีตัวเรา เรามีความคุกความยากความลำบากต่างๆนานามากแค่ไจริงๆตั้งแต่เป็นทารกเลยแต่เราก็ไม่รู้หรอกทารกมันมีความเด็กมันไม่มีความรู้อะไรมากที่จะไปรับความคุกนั้นมาไว้ในใจตัวเองวันวนนันก็วิ่งเล่นวันก็สูงส น, นั่นเกิดเกิดไม่มีอะไรจะต้องรับผิดชอบมาใหม่มันมันมันทําให้เราทราบว่าวันเวลานี่ความเป็นเด็กมันเป็นการใช้เวลาที่ไร้สาระ แต่บโตขึ้นมาศึกษาตามคำสอนศึกษาวิชาการทั้งโลกก็พอมีสาระคือสาระนั้นพอทำให้เรามีความรู้ติดตัวถ้าถ้าเรามีความรู้ติดตัวเราก็สามารถเลี้ยงชีพได้การเลี้ยงชีพออกมาทำการทํางานเี้ยงชีพตัวเองได้นคือมีสาระมากขึ้นมากกว่าการเรียนการเรียนนั้นยังยังมีสาระน้อยกว่าการเลี้ยงชีพเพราะการเรียนนั้นเราจะต้องพึ่งพาพ่อแม่แต่การเลี้ยงชีพนั้นเราไม่ต้องพึ่งพาใครเราพึ่งพาตัวเองเราพึ่งพาความรู้ที่เราศึกษาเรียนรู้มา พอที่ให้เราก่อสร้างการสร้างงานบรรเทาทุกให้กับเราครับทรัพย์สินเงินทองเข้าขอมาสะสมไว้ ก, ก, ก, ก, ก, ก็พระองค์ก็ทรงสอนในเรื่อง เ, เหล่านี้ให้มีความหมั่นขยันเพียรในการที่จะแสวงหาัย์สร้างการสร้างงานให้ได้มาท่านั้งองค์ทรงสอนประโยชน์ที่มีในโลกนี้แต่พระองค์บอกว่าชีวิตของเราไม่ได้มีแค่ในโลกนี้มันจะต้องมีความเป็นไปในภายภา ค, รครหน้าอีกยืดยาวนานซึ่งพระองค์ก็ไม่สามารถจะบอกอะไยืดยาวนานเท่าไหร่ การทองค์ทรงสอนหลักธรรมที่เป็นสัจจะไว้นในโลกเพื่อให้เราได้รู้และได้เข้าใจวิถีแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติอดีตการงานมาแล้วแค่ไหนก็ตามเกิดตายเกิดตายยุคกี่พวกกี่ชาติกี่สมัยซ้ำซ้ำซอย่างนี้เราเคยเกิดเคยเป็นทีม่มีใครเลยทีเย่เคยเป็นอะไรสักอย่างในโลกนี้มากอ่อนไม่เคยนีเราทุกคนเคยเป็นหมดแล้วองค์บอกว่าแม้แต่เป็นกษัตริย์ เป็นราชีดีเป็นราชาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนเคยเป็นมาหมดเลยใช่ไหมว่เคยเป็นเป็นยาจกขอทานเป็นคนที่คนที่การเป็นคนยากไร้เป็นคนตกทุกข์ได้ยากเป็นผีปีศาจลกายเทวดาเราเคยเป็นกมาหมดแต่มีความเป็นทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่ภาวะหนี้ชีวิตที่เกิดขึ้นชั่วคราวเราก็จำไม่ได้นะตายแล้วคือก็หมดเนี่ย หมดในความสรงจากเราเกินไปเราต้องจะมาสามารถจับชีวิตที่เป็นอยู่ในเวลานี้การอบรงสอนเนี้เพื่อให้เราเกิดความสลดใจสลดใจอย่างไงสลดใจว่าแม้จะเป็นไปอีกในภายภาคหน้าก็เป็นไปอย่างที่เราเคยเป็นที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับความเป็นที่เคยเป็นนี้เลยมันก็ยังจะเป็นอยู่เหมือนเดิมเกิดตายเกิดตายยี่งขึ้นยิ่วนไม่ดีจากความเป็นอย่างที่เคยเป็นเทวดาต้องแก้บกชั้นผมก็สิบเอ็ั้ง ไม่เคยเกินนั่นศาสนาลัทธากี่จำพวกก็เคยเป็นมโหสถคุเจ้าาไม่มีจำพวกไหนที่เราไม่เคยเป็นแต่ที่อีสานเรกายก็เป็นมหสแลวจำพวกเพราะอำนา่อกุสธรรมที่เราพลาดคั้งึกเผลอในการกระทำพอไปได้รับโทษในภาวะอย่างนั้นตกนรกจึงรู้สึกตัวขึ้นมาว่าไม่อยากจะไปสู่นรกอีกเพราะได้รับความทุกข์ยากมากายเาประพฤติธรรมคุณงาความดีมาเกิดเป็นมนุษย์หังสร้างบุญบุญสก็ไพาไปสู่สวรรค์ได้ พอหวนอุกอีกวันวันจะไปสู่ขบ า, ายภูมิอีกด้วยการการะทำที่เป็นกระสุนบาจากซึ่งความเปลียป่ยนแปลงในพวกชาติเกิดตายจุติอุปัติพวที่เราใช้ภาษาจุติอุปตัติคือดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดเรื่องเกิดแล้วลดับเกิดแล้วดับนั่นแหละละเป็นภาษาที่เราจะต้องโยงเข้ามาสู่การฝึกในจิตที่เราจะต้องเรียนรู้การเกิดด จติดอุปัติคือดับคือตายอยู่ชาตินี้อุปัติคือเกิดไปอีกชาติใหม่อยู่แค่นี้ที่ดีชีวิตทุ้งหมแต่เราไม่สามารถมองเห็นอนาคตอันญาวนานและยาไกลได้เรามองไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงมองเห็นคือมองเห็นเป็นแบบมาตรฐานเดียวกันหมดเลยมาตรฐานเลยว่าอยู่ในสามสเอ็ดพกสามสเอ็ดภูมิที่องค์ทรงตัดสอน ให้เกิดนั่นการเกิดการตายของชีวิตสัตว์ของชีวิตมนุษย์แล้วมาตาส่วนแห่งการไปจุติอยู่ในพบที่ดีขึ้นดับจากพวกนี้ไปสู่พบดีนั้นองค์แสดงมาราส่วนไม่น้อยมากเทียบกับเขาของโผลแต่มาตาส่วนที่จะไปสู่อบยัยภูมิองคเทียบกับขนของโผลเป็นความรู้ในทางสัมพันธุ์พืยานที่ไม่เคยมีใครมาบอกมาสอนในเรื่องราวเหล่านี้กับโลกมนุษย์แต่พวกเขาก็สอนสอนนี้นก็ พวเราทั้งหลายได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงหลักคำสอนนี้เพื่อนํามาพิิจารณาชีวิตของเราเองว่าเราจะยังปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นไปตามกะระแสแห่งวัตตะกระแสแห่งอะไรรู้ที่มันจะพาเราไปในความข้างหน้าอะไรที่เราอะไรที่ไม่รู้นี่แหละเขาเรียกว่าาวิชาคือความไม่รู้แต่เขาบไม่รู้ไม่ใช่ว่ามไม่รู้อะไรเลยมันรู้อยู่แต่ในความรู้นั้นไม่ได้รู้ตัดควา ม, มจริง ไม่รู้ตามหลักคำพัสอนเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ ต, ตามหลักคำพังสอนมันจึงเกิดเป็นปัญหาที่ทําให้เราไม่สามารถพาตัวเองหรอดออกจากกองผู<อ>้ใต้พระองค์ทรงบอกว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เรายึดถืออยู่ทั้งหมดที่มีในโลกนี้ทั้งชีวิตที่เราเกิดขึ้นมาและมีอยู่และมีความรู้สึกติดอยู่ในการยึดหรือยอย่างไดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดในการยึดถือนั้นบุคคลนั้นไม่ได้อะไรเลย แม้จะยึดอย่างไงก็งไม่เคยได้ไม่มีใครได้อะไรเลยจากโลกนี้าการที่เขาเข้าใจว่าเขาได้สิ่งต่างๆในโลกนี้นะั้นเขาเข้าใจตัวเองบุคคลนั้นหากยังมีความเข้าใจว่าตนเองยึดเราได้ในสิ่งใดอยู่ในโลกเขาผูนั้นคนผูนั้ น, น, น, นประดุจดั่งบุคคลผู้ใช้าตาขายดับลมเอาตาขายไปดับลมลงมันจะอยู่ได้ไหม มันอยู่ไม่ได้เพราะเขาจะได้แต่ความว่างเปล่าต้นที่มีอะไรถึงพาดับสลายแล้วไม่มีใครได้อะไรเข้าสู่ความว่างเปล่าทั้งหมดไม่มีใครได้อะไรจริงจริงแัง่มแ จ, จสติพระองค์กินสอนให้พวกเราไม่มยึด ม, มั่นถรือมั่นมากเกินไปสิ่งใดก็ตามที่เรามีความสุขสิ่งใดก็ตามที่เรามีความขับแค้นสิ่งใดก็ตามที่เรามีความยากลำบากในการยึดจิตอยู่กับสิ่งต่างๆ การยึดติดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรจะเป็นวัตถุเข้าของหรืออารมณ์มอนเกิดขึ้นสรรพสิ่งทั้งหมดที่เรายึดหรือไว้เหมือนกับการดักลมด้วยตาถ่านเราไม่ได้อะไรไม่เคยได้อะไรแล้วก็ไม่เคยได้จริงๆเราแล้วที่เป็นอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่เราได้หรอกอันนั้นที่เราได้มามป็นได้ถู ก, ถกสมพุทธว่า ถ้มีร่างกายอยู่เนี้ย ก, ก็สมมุติสมมุติว่าเราได้ร่างกายนี้มาแน่นอนว่าบุตรชนมองไม่ออกว่าเป็นสมมติดได้อย่างไรแต่พระพุทธเจ้าท่านจะมองออกว่ามันเป็นสมมุติในเมื่อบุตรชนไม่สามารถมองออกได้พระพุทธเจ้าจึงชี้ให้เราได้เห็นตัวของเราเองที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเกิดมาเองหงรือเราเลยอาศัยบิดาและมารดาเป็นที่เกิดไม่มีบิดาไม่มีมารดาก็ไม่มีที่เกิด เพราะฉะนั้นแล้วชีวิตที่เกิดขึ้นมาจึงเป็นเครื่องสมมุติเกิดขึ้นเพราะบิดามารดาเราก็ท่านก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองท่านอาศัยพ่อแม่ของท่านแล้วพ่อแม่ของท่านก็ไม่ได้เกิดมาเองก็อาศัยปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็ไม่ได้เกิดมาเองก็อาศัยปู่ย่าตายายโุ่นอีสืบเชื่อมันมาแล้วอ้นเขามาจริงมาจากโอปปติกาโอปปติกาก็มาจาก สภาพแห่งจิตที่เวิร์กมากว่างป่าอย่างนี้นอจากกาวบคุมปิจันะจึงจึงมีการปุร่นเกิดขึ้นตัวชีวิตมนุษย์จึงไม่ได้มีจพอพอมริงเพราะโองค์ทรงตรัสถึงรากเหง้าแห่งกระบวนการการเกิดมาจากอาภาัสรจิตหรือรูปอาภัสรจิตแล้วอาภาัสรจิตก็คือสภาพแห่งจิตที่ไม่มีอะไรมีแต่การปูนแต่งของเบตสิิ เวท น, นาสัญญาสังขันวิญญาณปู่แข็งเนตัวเิตสิกปู่แข็งให้จิตดำรงอยู่พูดได้ง่ายว่าเป็นนามธาตุอันหนึง่งที่ตั้งอยู่โดยภาวะข้อมันในจกัจกรวาลนี้จะมีรูปธาตุคือดินน้ําไฟลลนาำวัฏธาตุคือจิตเจตสิกสองอย่างรูป ก, กับนามแตนี้พอรูปกับนามม า, ขาขประกอบกันเข้าจึงสามารถสร้างเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นตัวคน การที่สร้างขึ้นมานั้นอาศัยสิ่งที่มีอยู่สร้างกายกับจิตของเราคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นการที่ถูกสร้างขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาพ่อเดิมที่มันไม่มีมนุษย์ไม่ได้มีอยู่มาแต่ร่างเดิมแต่เดิมมันถูกสร้างขึ้นคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนั่นเองถึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วสภาพที่สร้างกายขึ้นมาสร้างจิตขึ้นมาก็คือคือกายกับจิตให้มันอยู่ด้วยกันรูปประทังกับนามประท ก็คือความไม่รู้เรียว่าอวิชชาเพราะฉะนั้นปลักการนี้โปร่งทรงชี้ให้พวเรากลับมาศึกษาตัวของเราคือตายเรียนรู้ตัวของเราซึ่งมันคื อ, ค อ, คอตัวกายตัวจิตมันเป็นภาวะแห่งความสมมติอาการที่สมมตินั่นแหละคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมันไม่ได้เป็นจริงเทาว่าร่างกายเนี่ยมันไม่จริงได้อย่างไงเพราะเรามพ น, นั่งอยู่นี่เราก็สามารถ สัมผัสนับ ร, รู้ตัวของเราอยู่เซนโพมคนเล็บฟันนเลือยกระดูแล้วก็รู้อยู่ว่าเหยื่อเท้าที่คือตัวของเรา <c oughs> เราก็กินเราก็นอนแล้ว <c oughs> ก, ก็ทำการทํา ง, งานได้มันไม่ใช่ตัวเราได้อย่างไรอ่ะนี่คือความคิดของบุรุษชนหรือว่าคนทั่วไปนี่คือตัวเราหากเราติดลงความคิดอย่างนี้ก็คือการที่เอาตาขายไปดักโลงอีกไม่ได้อะไรล้มก็ผ่านตาขาย ไ, ได้ เราไม่ได้จริงๆพระองค์ทรงสอนให้เราพิจรารณาพิจารณาเพื่อไท่ถอนความเห็นผิดไท่ถอนสิ่งที่เราโม่เข้าใจว่าเป็นจริงคำว่าสมมติในความหมายที่พระองค์ทรงตรัสสอนพระองค์ทรงตรัสสอนเพื่อให้เราได้ทราบเพื่อให้เราได้รู้แจ้งเพื่อให้เราได้ทำความเข้าใจให้ถูกให้ตรง การรู้แจ้งใดๆก็ตามที่เป็นความรู้แจ้งภายในตัวเองการรู้แจ้งนั้นได้ชื่อว่าเป็นการรู้แจ้งตามธรรมหากการรู้แจ้งใดๆก็ตามที่เป็นความรู้แจ้งนอกกายคนเป็นการรู้แจ้งที่ไม่เป็นไปตามธรรม้าเราอบอกว่าร่างกายนี่แหละคือตัวเราที่แท้กิน ป, ปั๊บแล้วร่างกายตอนเป็นทารกมันหายไปไหนถ้าเป็นตัวเรองเราที่กินมันไปไหนลนะ แล้วร่างกายตอนเป็นเด็กที่โตขึ้นมามันหายไปไหนร่างกายตอนที่เราเข้าโรงเรียนมันหายไปไหนร่างกายตอนที่เราโตมาเป็นผู้ใหญ่มันหายไปไหนมันมีอยู่ไหมล่ะแน่นอนว่ามันดับมันดับมันดับเมื่อร่างกายตอนเป็นเด็กตอนโตตอนเข้าโรงเรียนเราดับได้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเาดับได้ทําไมร่างกายตอนนี้มันจะดับไมได้ถ้าร่างกายตอนนี้มันดับได้แล้วหรือมันต้องดับแน่นอนอยู่แล้ว ไม่ต้องมีท่าแล้วมันดับอยู่แล้วแหละแสดงว่าร่างกายไม่ได้เพ่ไม่ใช่ตัวตนของเที่แท้จริงมันเป็นสมมุติกริงแต่ภาพแห่งสมมติเรามองไม่เห็นเรามองเห็นแต่ภาพแห่งความจริงว่านี่คือตัวเราเพราะฉะนั้นเราถูกบังมาตลอดเวลาเราถูกความไม่รู้ปิดบังครอบดันใจมาตลอดเวลาเราครอบใจว่านี่คือตัวเราตั้งแต่เกิดมาแล้วเรารู้สึกเลยว่านี่คือตัวเราหากไม่มีพระธรรมคำสอนของพุทธศาสอนเราแล้วแน่นอนว่าเราไม่สามารถกําหนดถูก เราไม่สามารถกําหนดในการในจิตวิถีว่ามันเป็นเราหรือไม่เป็นเราอยา่างไรเหน่ไม่มีภ า, าษาสระโองไหน ม, มาสอนเรื่องราแบบนี้การ ท, าที่ผมทรงสอนอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์นอะไรกับเราเกิดประโยชน์แน่เกิดประโยชน์นนะะนนมากไหมแล้วก็เกิดประโยชน์นมากไ ม, มาา่มหาศาลมหาศาลจ น, นอตาตมาไม่สามารถจะมองเห็นคุณค่าใดมีคุณค่าเท่ากับคุณค่าแห่งพระธรรมที่พะ ร, ร, ระสัมาสัมพุทเจ้าทรงตรัสสอนและบอก ม, มันมีคุณค่าที่ท แต่ก่อนที่จะมารู้คุณค่าพระธรรมตมาเขาไม่เคยรู้คุณค่าเลยพร ต, ตมาก็รู้เองแต่ชีวิตพรตมาต่างหากเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะตอนนั้นยังไมไ่รู้ธรรมมันก็ยังเห็นตัวสมมุติว่าเป็นตัวจริงอยู่นี่คือเราแหละเราทั้ตัวนี่แหละทั้งคนทั้งตัวนั่นคือยังไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเป็นสติปัญญาแบบชาวออกเป็นสติปัญญาแบบเรียกว่าอะไรสัญญาตญาณสามารถซ้ำนึกถึกงตัวไปทั้งคนทั่วไป เรามีความเมื่อเรามีความเห็นว่าเป็นตัวเราปั๊บการยึดถือย่อมมีขึ้นการยึดถือมีเมื่อไหร่ว่าเป็นตนเมื่อไหร่ความเห็นแก่ตัวคือการกระทำอะไรเพื่อตัวเองการปอกโขยเพื่อตัวเองการแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองการตัดตัวความสุขใสตัวเองย่อมมีขึ้นการเห็นประโยชน์ตัวอื่นจะน้อยลงหรือแทบจะไม่เห็นและต่อมาก็เคยใช้ชีวิตอย่างนั้น เห็นประโยชน์ตัวเองมากเราจะต้องทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราและเราก็มีเคยได้สิ่นั้จริงๆเลยก็เป็นการเอาตาไายมาดักลงตัดตัวความสุขใส่สตัวเรามันมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาไหมครับทั้งมีอยู่กับตัวเรากินความสุขก็ต้องอยู่กับเราไปตลอดกาลไม่ได้อยู่กับตัวเราตลอดกาลเรามีสุขเรามีปุกเราได้รับความพึงพอใจเราได้รับความเสียใจทําไมบางครั้งเรารู้สึเกเจ็บปวดกับเรื่องบางเรื่องทําไมเรารู้สึก ผิดหวังกับเรื่องเรื่องแล้วเราก็ทุกข์ใจแล้วทำไมมีความทับแคนใจหรือทําไมเราตูดดาตูดดาแล้วทําไมเราต้องโมโหหรือโกรธหรือเรากดคนต่อคํามด่าเสียแทนนั้นไม่ได้มันต่างกันมากับการที่เราปล่อยวางกายได้แล้วไม่ยึดถือกายก็เป็นตัวเราไม่ยึดถือจิตก็เป็นตัวเราตูดดาไม่ได้รู้สึกโกรธไม่รู้สึกคุงข์ผูกใครว่าร้ายกล่าวไว้ผมเห็นต่างๆนานามกานก็ไมได้รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึก ต่กับกับสิ่งนั้นาว่าไม่รู้สึกไม่ยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะเขาว่ารู้กับสภาพที่กระทบแต่ไม่เป็นผู้กับสภาพที่มากระทบมันทำไมที่เป็นอย่างนั้นจิตเราไม่เศร้าหมองจิตเราไม่ได้แปรปวดจิตเราไม่ได้มั่นแง่นผ่อนแผนไปตัดสภาพที่เข้ามากระทบกับชีวิตอย่าลืมว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับสิ่งที่เราจะต้องกระทบ แตกต่างกัมากไฟหักยังมีการวิกฤตอยู่จะต้องเจกระทบสิตงต่างไปจนถึงวันตายกระทบดีบ้างกระทบที่ดีบ้างกระทบสิ่งที่เป็นสุบ้างกระทบสิ่งที่เป็นทุกข์บ้านเรนาจะต้องกระทบสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะต้องแต่และาทั้งแต่และมหวนหาเป็นการกระทบที่รุนแรงบางครั้งบางคราวอาจจะเอาชีวิตตนเองไม่รอดบางคนก็ถึงกับขา่าตัลายก็นี้คือไม่รอดจริงๆทว่เทตุนั้นก็นี้ที่เราเห็นอยู่เป็นเพราะอะไร นั่นคือการยึดมั่นถือมั่นในกายในจิตอย่างรุนแหรงว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราความเศร้าโศกความเสียใจเมื่อเจอสิ่งที่พลาดพลาดเมื่อปรารถนาสิ่งที่ เ, เอียงรักแล้วไม่ได้และปราบเมื่อสิ่งที่เป็นรักนั้นเป็นการเปนอื่นหรือแต่คนก็เป็นอย่างอื่นบางคนก็ทำจิตทำใจไม่ได้บางคนก็ตกอยู่ในความม่วงเหวความเศร้าโศกเสียใจทำร้ายตนเองหรือแบบรับความทุกข์นั้น ทับสมดีใจตัวเองหรือแม้แต่การกระทาอะไรที่ไม่ได้ดางปรารถนาดีใจของเราก็ปั่นป่วนวุ่นวาต้องไม่เป็นตามให้เป็นไปตามความต้องการมันเป็นสภาพของบุคคลที่ยึดถืออยู่ภาในตัวเองรั้วอนเลยท่านั้นเลยแล้วอาการในนี้องเกิดขึ้นกับอาตมาในเวาที่ยังไม่มีปัญญาในการวางไม่มีปัญญาในการคลายเกิดขึ้นในวงของภาคปฏิบัติเองที่อาตมาได้ดูดเข้ามา การกระทบกันในหมู่ของพระพิสูจก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะในสายกรรมฐานในสายผู้ปฏบัติาจารย์พี่และท่านมาอยู่ด้วยโงกาารรมฐานพ่อวัดพระอาจารย์และครูพิสูจน์สอนใ้ี่อยู่กับท่านพัฒน์ด้วยกันจะฆ่ากันตายก็มีอันนี้มันเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรตรงเนี้อาจารย์พี่สภณะหรือว่าแพจของนักบวดหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งผู้ปฏิบัตินั้นนะ น่าจะคือภาพที่ชาวบ้านมองเอาไว้แล้วน่าจะท่านจะเป็นผู้สมบเป็นผู้ไม่มีโหมดเป็นผู้ไม่มีเพ่เบียดเบียนทำให้ทําร้ายกันแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ซึ่งอาตมาอยู่กับครูบาอาจารย์มาไม่คิดว่าจะได้เจอจับสภาพอย่างนี้ก็ได้เจอสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากการยึดถือภายในตัวตนอาตมาก็ยึดถือในตัวของอาตมาว่าอาตมาถูก เราไม่ทำผิดเราทำดีทำทาตรงตามตามสิ่งที่เป็นข้อวัดข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนแต่ทำไมถูกภิกษุอีกรูปหนึ่งมุ่งเปล่าโคตมุ่งทำร้ายแล้วก็มุ่งแสดมีความประสมร้ายแล้วก็ผสมร้ายต่อกันตรวนี้ถามว่าเราจะลบลบถอนความคิดยู่ในตัวตนนี้ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ได้หรือเปล่าอาตมาก็เลยกลับมาพิจารณาสิ่งที่อาตมายึดถือยึดถือดีเกินไปว่าเราดียึดถือดีเกินไปก็ไม่ได้มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ยิ่งยิ่งเรามีมากเท่าไหร่อีกฝ่ายหนึ่ก็ยิ่งสร้างสร้างการมัลติสไลด์เรามากขึ้นเท่านั้นต้องโทษคนไม่ได้คนประเภทที่อิจฉาริษยาอะไรมันมีอยู่ในสังคมเราอาตมาจึงลดทอนการยึดถือในตัวตนของตัวเองออกไป โดยน้องเข้าไปหาเขาแล้วให้สิ่งที่ดีๆกับเขาดิคือดิศึกษาตามคำสอนของพระเจ้ามาในเรื่องของการผูกมิตรพระเจ้าอแบบผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้จึงได้ลดคลอดี่ธีมานาของตัวเองที่เคยยึดถือว่าเราตเราผูตัวาดีเหมือนกับทำตัวเองเนี่ยคนพิดนั่นแหละซื้อของบางอย่างเรื่อเรามีบริขานบางอย่างเรามีสิ่งของบางอย่างที่เป็นสมบัติของเรา แล้วก็เข้าไปขอโทษเขาว่าอะไรก็ตามที่เป็นความผิดอะไรก็ตามที่เป็นการทําให้เกิดความไม่พอใจอะไรก็ตามที่เป็นทาําเป็นเป็นการทําให้เกิดความสัดเคืองใจในกันและกันในภาวะที่เราเป็นอยเนีญญ่ยเราก็ขออภัยขอโทษแล้วก็มอบ ข, ข, ของสิ่งนั้ำให้กับเขาเราก็มอบของสิงนั้นให้กับเขาแล้วป้ า, ากฏว่าเหตุการณ์เปลี่ยน จากการที่เขาพยายาม a, да ido, ม ent, ุ่งร้ายต่อเราอาการที่มุ่งร้ายมันหายไปเขากลับมาความดีกับเราเพิ่มขึ้นกว่าเดิมพระธรรมจิตได้ได้จับประเด็นอยู่ตรงนี้จับประเด็นของการปฏิบัติเรื่องตัแต่เนอะมันอยู่หลายๆอย่างเหตุการณ์ต่างๆนานาในหลายเหตุการณ์เรื่องราวอะไรอย่างในในในชีวิตของเราบางอย่างเราอาจจะมองข้างมองข้าง ความจริงซึ่งเป็นทางสายกลางการยึดถือดีบางทีมันไม่ได้ทำให้เราดีแต่การยอมตนเองเพื่อปรับให้อีกบุคคลหนึ่งสา ม, มารถให้อีกบุคคลหนึ่งเรีว่าอะไรสมารถชสมาธิกับเราได้เป็นไปกับเราได้ตรงนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญ การใช้หลักคําที่มาสมาคมพระเจ้าทรงตรัสสอนสามารถนํามาใช้และนํามาสร้างประโยชน์ได้จริงนี่คือหลักสัจจ์พอาะมาจับประเด็นตรงนี้ได้ปั๊บก็เลยพุ่งเข้าสู่การพิจะะารณาตัวตนใดๆที่เรายึดถือภายในตัวเราไม่ว่าประเด็น ใ, นในกรก็ตามไม่มีประโยชน์อะไรสิแม้แต่ยึดถือดีที่ประโยชน์อะไรนี่เพระฉะั้นอตาตมาเคยบอกตลอดว่าการปฏิบัติต่างหรือการกระทํา คุณงามความดีต่างผูรเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราทําความดีเพื่อเป็นคนดีแต่พระองค์ทรงสอนพวกเราการทำดีเพื่อให้ความดีนั้นมีประโยชน์ต่อคนอื่นเราดีคนเดียวไม่ได้คุณงามความดีอาจจะเป็นถ้าเป็นความเย็นความเบาความสบายก็เป็นความเย็นความเบาสบายเฉพะเราแต่รอบข้ามันร้อนมันก็ใช้ไม่ได้น้ำแข็งทางก็อยู่ในที่มันร้อนก็ละลายโผล่ออกมานที อย่างเงี้ยหมายถึงว่าความดีมันควรจะเผือแผ่ไปถึงคนอื่นเราควรที่จะใช้ความดีให้เป็นประโยชน์ต่อผคนอื่นโดยการที่ชักนําให้เขามาสู่ความดีเหมือนกันกันกบเรามันเป็นไปกกได้ตั้งแต่เวลานั้นม า, าที่อาตมาได้รู้จักปรับตัวเองลงยอมปล่อยวางการยึดถือภายในตัวเองแล้ว ทำตัวเสมอการกับเขารู้สึกว่าการประพฤติวัดปฏิบัติหรือการภาวนาอะไรกันมันจะเป็นไปใ น, น, นทางเดวกันที่ดีได้ดีมากขึ้นแล้วก็เข้าเข้าทางกันไปดีเพราะตอนนั้นเราต้อมาอยู่ระกูแล้วก็อยู่ภาคอีกลูกภาคกัางชือชื่อภาค ก, ากลาตอนนี้ก็ราศีคาไปแล้วหละแล้วก็าได้รับวบากอะไรเยอะแยะมากมายแล้วจากราศีคาออกไปก็อาจจะเป็นโทษประการที่เคยกระทำต่อกันมา อะไรนั้นก็ม่ถือว่าเป็นการถือโทษต่อท่านแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะได้รับวินัยบาที่เลือกเฉพาะตนแต่มันทําให้อยู่ด้วยกันแล้วมันไปในทิศทางปเด็นกันที่ ม, มีความลงรอยกันแม้แเขาจะไม่สามารถตัวขึ้นตัวเองเข้าไปสู่สัจจคติเหมือนอย่เราก็ไม่ได้เป็นปนัญหาอะไรแต่มีทิศทางเดียวกันคือการใช้หลักธรรมอย่างถูกตอก้อง ความปุ๊กในความเป็นอยู่ร่วมกันที่จะเป็นไปเพื่อการกระทบกันก็ไม่มีจึงได้ทราบว่านี่แค่ประโยชน์ชั้นชั้นเล็กๆ น, น้อยๆที่เราสามารถทําแล้วเราเห็นผลแล้วทำมากอันที่มีคุณค่าและสมคุณค่าที่มากกว่านี้หากเราสลัดการยึดถือในตัวตนได้อย่างถาวรแล้วมันจะมีคุณค่าขนาดไหนจนอาตมาได้ฝึกฝนที่นาตนเองตามแนวทางที่พระกุมารได้ส่งสริ ถ้าได้สอนไว้เ hey. ร sure <agogue. S 2> ื mm. ่องของการพิจารณาหน้การพิจารณาหน้าก็คือการพิจณตัวเรานั่นเองเห็นการเกิดการดับจุดผสมของการเห็นการเกิดการเกิดการดับเพื่อทําลายตัวตนที่เราเคยยึดถือว่าเป็นตัวจริงเป็นตัวเราไอ้สมมติเนี่ยแหละที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นจริงเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นสมมติสทีเราเห็นว่ามันเป็นจริงเป็นตัวเราจริงๆพอมาเห็นการเกิดดับของกายของจิตได้เห็นก็่าเห็นที่ต้องเห็นอเห็น เห็นอยู่เป็นประจำเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่2เสมอเห็นได้ติดต่อเรื่องการจนเกิดกำลังในการตัดสินใจเด็ดขาดลงไปด้วยอริยมรรคยาดยานเป็นไปตามกระแสแห่งอริยมรรคตัดสินใจเด็ดขาดถ้าทําลายความเห็นผิดขางกายของเราเราเป็นกายกายมีเราเรามีในกายเรากับร่างายเป็นเดียวกันขาดสะรั้นลงไปเป็นการปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้อย่างขาวรขึ้นในระหว่างนั้น ยังทราบและสัมผัสกับคุณค่าทางศาสนาเพื่อจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าตัวจริงวันนั้นเองวันที่จิตได้วางกายวางใจให้แล้วครับถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเป็นยังไงก่อนหน้านี้ก็รู้เพียงแค่พระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสนาเป็นผู้กอตั้งข้ศาสนาไม่รู้คุณค่าที่แท้จริงของพระองค์ก็แม้จะถูกสอนว่าพระองค์มีคุณค่าอย่างนั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์ที่คุณมีปัญญาที่คุณมีวาระกำลันาที่คุณก็รู้ไปตามคําสอนแต่ไม่รู้ ทราบทัดรู้ไม่รู้สึกที่แท้จริงคือความรู้สึกไม่สัมผัสกับจิตความรู้สึกไม่เชื่อมโยง า, มา ก, กับจิตและไม่ปรากฏเป็นความรู้สึกแบบดิ่งลงไปเข้าถึงสภาพในความปีติยินดีศกเห็นคุณค่าเห็นภาวะแห่ง ค, ค, ค, ค, ค, ความเป็นทุทข์นะั้นยอดเยี่ยมคือรู้จะสาเหยายุอย่างไรในคำพูดคาพูดที่พูดนี้ยัง ยังพูดไม่ไม่ถึงแก่ติดแก่ใจที่จะสารเสือกพระโอษฐ์ผู้ทรงคุณค่าขนาดนั้นะจะเรียกว่ายอดเยี่ยมเหนือกว่าทุกสิ่งทั้งสิ่งในโลกกว่านะั้แต่ชีวิตอตาตมายังไม่มีคุณค่าเมื่อกลับทำสอนของพุทธเจ้าอันนี้บอกตามตรงเลยนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกอย่างนี้ชีวิตเราไม่เคยมีคุณค่าอะไรชีวิตเรามีแต่ตุกตากุ้งคอยมาให้ทํำทาสอนพรุทธเจ้ามาแก้ตุกให้ตัวเรามีแต่ตัวที่จะเป็นตัวสร้างทุกให้กับตัวเราสร้างกลับดัดให้ตัวเราเป็นติ เราไม่รู้หรอกว่าเราบางอย่างเราทําไปเป็นการสร้างพลุกเปียต <Dun> ัวเราเราไม่รู <technique> ้หรอกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อทุกข์ก็เดินเข้าไปหาทุกเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันจะเป็นการขุดหลุมเพื่อเดินให้เราไปตกเราได้ทํำเองแล้วเราก็ไปตกหลุมที่เราขุดเองเราไม่รู้หรอกว่าการใช้ชีวิตที่เราเป็นอยู่มันจะเพิ่มทุกกับเรามากแค่ไหนเพราะุบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันมันจะค่อยๆสัดสมสัดสมสัดสมสัสมไปไปจน ถึงที่สุดพวกมันพอมันให้ผลปั๊บเพีเดียวชีวิตแทบจะพังทลายแต่เราไม่เคยรู้นั่นคือการใช้ชีวิตที่ประมาทเพราะเราไม่มาศึกษาทำแต่ถ้าเรามาศึกษาทำเราจะรู้แล้วว่าเราจะไม่ประมาทเราจะรู้เหตุรู้ผลว่าคําสอนพระองค์ทรงสอนนั้นอะไรควรกระทาอะไรไม่ควรกระทาอะไรมีโทษอะไรม่มีโทษอะไรควรเบ็ดอะไรควรเจริญขึ้นอะไรจะทําอะไรไม่ใช่ทำ อะไรเป็นเหรียความสุขอะไรเป็นเหรียความเพลินอะไรเป็นเหรียญความเสื่อมอะไรเป็นเหรียความเจริญต yeah> ้องรู้มันมันเป็นความรู้มันมันมีความรู้เหล่านี้เข้ามาอะไรจะแก้ทุกข์ให้กับเราได้อะไรเป็นการเพิ่มทุกให้กับเรามันจะรู้มันจะฉลาดอันนี้เป็นเครื่องเพิ่มทุกขไม่เอาอันนี้เป็นการดับทุกเอามันจะรู้มันจะยึดอันสิ่งอันเป็นวิถีทางการดับทุกข์อะไรก็ตามเป็นวิถีทางงการดับทุกข์มันจะรู้มันจะมีความฉลาดอยู่ภายใน แต่กอนที่จะบารุณถึงจุดนี้ก็มืดมนคนตาการเหมนกันในขณะที่ปฏิบัติอาศัยแต่ศรัทธาคือความเชื่อเชื่ออยู่ว่าปฏิบัติอย่างนี้แหละบอกเขียนป็อย่างนี้แหละยึดถือความปฏิบัติอย่างนี้แหละมันต้องถึงจุดไดจุดหนึ่งมันต้องถึงจุดแห่งการปล่อยวางแน่นอนแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะปล่อยวางยังไงตอนที่ปฏิบัติที่รู้เราจะปล่อยวางยังไงจะทําการปล่อยวางบอกให้ตัวเองปล่อยวางว่างเถอะว่างเถอะบอกอยู่ร้อยมนพันคนก็ไม่บาแต่ถึงจุดที่มันรู้ ถึงพิสุดธิ้องมันมันก็ถึงการปล่อยวางเองมันก็กายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายกายกับเราไม่ใช่กันเดียวกันแน่นอนชัดเนจแนแย่แย่เบื้องตอน้นเราก็อาศัยการเรียนรู้คําสอนพระเจ้าแบบทรงหยาบสัญญาการป้อ ง, องท่าจะมาทั้งสี่าสี่พื้นท่าที่หนึ่งเรียกว่าทรหยา้วาาา ท, าที่สองก็ใช้การที่เจรนาการที่เรณาคือแยกกายคือส่วนดินน้ําไบลมบทที่ส อะไรเป็นดินอะไรเป็นน้าอะไรเป็นไฟอะไรเป็นลมแล้เห็นต่างนั้นระดับที่สามนี่ต้องใช้ปัญญาตัดสินความผูกต้องตรงตามความเป็นจริงม่าการเป็นดินจริงเป็นน้ําจริงเป็นไฟจริงเป็นลมจริงปัญญาตัดสินลงไปเลยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แน่นอนมันเป็นอื่นไปไม่ได้จิตเราจะได้ไม่ต้องมัดแง่นคอนแพรหรือหลงยึดถืออยู่ภายในตัวของเราแล้วสร้างการยึดถือนี้ไปจะทำกรรมเนบาป ให้กับตัวเองสืบต่อไปเพราะแค่ผู้ทํากรรมันจะประเสริฐอะไรผููทํากรรมผู้เจ้าสาสนาสอนพูดดํากรรมเรายึดกายอยู่การกระทํำพุ่กระทําการกระทําแห่งการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจพุกการกระทํานั้นเป็นกรรมติดตัวเราประดุจเราติดตามตัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นหลอกตัวกันแต่พลังแห่งกรรมหรือผลกรรมคุณทีเจ้าอาเห็นพวกจึงสอนไว้ หากเราวางกายวางใจได้แล้วสิ่งที่ไร้กระทำที่เรากำทำในโลกนี้มันไม่เป็นกรรมนเป็นีแค่กิริยาจุดออกหรือทางของมันอยู่ตรงนี้ตรงที่เราวางกายวางใจได้กรรมทั้งหมดจะดับเหลือเพียงแค่กิริยาในการกระทำผลก็คือความดับทุกทั้งมวลจะหเกิดขึ้นจากเราตรงนี้นี่เองคือพุทธประสงค์ที่หลวงปู่ก๊กจันทราให้เราไปดูมันจะออกตัวเนี้ยออกออกจากจักรวาลออกจากการวางกายวางใจเนี่ยเดีนี่ การใช้ปัญญารู้ชัดในการเห็นว่าเป็นน้ำไปลมยังไม่เพียงพอมันต้องรู้ด้วยญาณทัา ศ, า ศ, าศาน์ญาณทัศน์คือการเห็นตามความเป็นจริงปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริงญาณทัศนะเห็นตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆ่เื่ยานันานเดือนปานปีไม่เห็นการเป่ยงอื่นด้วยยานันยานชั้นลึกกว่าปัญญาเรนชั้นการรู้ชั้นแต่ยาเรนรู้ลึกอย่างทราบตามความเป็นจริงอย่างนั้นเสมอไม่มีความความรู้สึกอื่นแทรกเข้ามาไม่มีความรู้อื่นแทรกเข้ามาแค่นี้คือกายเราไม่มีไม่มีแทรกเข้ามายาเป็นยางราบแบบนี้อยู่ตลอด แล้วยานั้นก็จะเป็นเครื่องหลันดักความหลงผิดไม่ให้หลงไปเข้าใจกายว่าเป็นตัวเองไม่ให้หลงจริงว่าเป็นตัวเองเมื่อยาอยากทราบเมือยาชัดเจนแล้วยาไม่พ อ, อยาไม่พอนะอนโุโลมย า, ยานี่นีอนอนนะ่อนโุโลมยานะวอนุโลมยานะอนุโลมร้อยตามอริยสัจเห็นใจรู้ตัวถูกมันเป็นตัวพวกจริงๆไม่มีอะไรแก้ทุกข์้กับเราได้ในแบบถาว ตัการจับใจที่เป็นอยู่ตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่ตาโลกถึถึงมาจนแก่ชราหรือเป็นหนุเป็นสาวแต่หนุ่มมเวลานึ่เป็นกระบวนการแห่งการสร้างปุ๊เป็นกระบวนการแห่งการป่อปุ๊บเป็นกระบวนการแห่งการรวมตัวกายของปอดปุ๊ที่โดยการฝุดจิตมฝุดใจเพื่อให้ปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้การปฏิบัติมันก็ต้องยากเป็นธรรมดามีอะไรง่ายหรอกแต่ถ้ามันง่ายคน เป็นเท่าไรกนทั้งหมดทั้งบ้าทังเมืองมีคนดีเป็นหมดทั้งบานแล้วขุนเจ้าก็พาคนหมดออกไปจากโลกนี้แล้วไม่ไดเวียนไหวตายเกิดแบบนี้โลยแต่พระองค์ไม่ทำไ ด, ด้ทั้หมดที่พระองค์ทรงทาได้แค่บอกแค่สอนส่วนพวกเราผู้ฟังผู้รับสืบพอดศาสนามาโดยการศรัทธาในองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในคาสอนของพระองค์ศรัทธาในแห่งพระอระิยสงฆ์ผู้เป็นสัจฉิภิญแห่งทาของพระองค์ว่าทางนั้นเป็นสัจจจิ บรรลุถึงได้จริงรู้พระธรรมได้จริงดับพุกขได้จริงเราศรัทธาอยู่ตรงนี้เราจึงเห็นคุณค่าและระดับหนึ่งนึ่ตางแล้วก็เพิ่มพิดีมัต่างหวังว่าอยากจะเป็นผูเป่ามอุ้งอย่างนั้นบ้างแต่พอเจอความยากความลาบากบางทีก็เอาไว้ชาติหน้าดีกว่าไว้อย่างเงี้ยเอาเอาไว้ชาติหน้าอย่างเ้ยครั้งก่อนมาชาติหน้าอีกชั้นชาตินี้เราจะเอาอกชาติหน้ามันก็คือสื่อต่อควาชาติของเรเองแต่ถ้าเราบอกว่ามันยากลําบาก พูกแค่ไหนก็ตามเราก็จะบากบัตรฝึกฝนอดทนต่อสู้ภ้าเพียนพิจารณาอยู่อย่างนั้นราบได้ที่ยังไม่รู้จะไม่ถ อ, อนการพิจารณาอย่างนี้ที่เคยพิจารณาจะมี่นั้นติดตอนื่องสือกันอะไรเงี้ยทั้งกางวันกึงนหากเป็นไม่ได้อาจครัได้ยังจะหีมันสุดแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้ก็อย่าไปควบคุมบังคับตัวเองมากเกินไปเพียงแดว่าอย่อนเบอใได้การพึ่งตเองเพราะนั่นเอง พอชั้นอนุโลมญาณรู้อริยสัจรู้ปุ๊บตัวใจนี้คือทุกจิตนี่คือทุกรู้เหตุให้เกิดปุ๊บคือความที่เรายึดถือในการจิตมันเป็นเหตุถ้าเราวางได้แล้วตัวทุกนี้ก็มีอยู่ตามตําราติขมันทุกจะไม่เข้ามาเชื่อมโยง ก, กับตัวเราเพราะตัวเราเป็นหนึ่งตัวเดียวปุ๊คือกายกับิเป็นหนึตัวเดียวมันจะไม่เชื่อมโยงกันตัวเราคือตัวสติตัวปัญญาที่เป็นผู้พิจรารณานอยู่ รู้ความดับไปของภูมิคือการไม่ยึดกายไม่ยึดจิตตัวเองความภุ ก, กิก็ดับไปเมื่อรู้ความดับไปแล้วการฝุกนฝนจิตใจในอรุโลงญาอย่างนี้เวียนรอบอยู่ในจิตเป็นมัจคือทางปฏิบัติความดับภูมิรู้ในชั้นอรุโลงญา น, นี้ก็ยังไม่พออีกต้องรู้ในชั้นของมัจ ข, ขยานอรุโลงญามัจขยานนี่นมันต้องเป็นมัจหมายมัจเจริญเต็มที่มีญาณอย่างทราบในมัจ จิตเรากำเนินอยู่ในมัดจิตแลกไปในกระแสอย่างนี้มัดจิตเป็นไปในมัดเขาบอกจิตเป็นไปในมัดนี้มันบอกไม่ได้เราบอกมันเป็นไปยังไงมันมันผ่านอนุโลมยานมาแล้วจะเป็นไปเองอัตโนมัติเองเขาเรียกว่าเป็นอัตโนมัติมติคือเป็นมติแบบภายในตนเองเลยรู้ชัดเข้าใจชัดอะไรก็ชัดไม่หลงไม่งงงง่ายไม่มัวเบาไม่ประมาทไม่เละเลอะจิตตั้งมั่นรู้อยู่กับสิ่งที่เขามาสัมผัสกับการกับจิตอยู่เสมอ เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกอยู่แค่ภพขยันพอถิสุทธิแล้วก็เป็นผลละยาก็คือทำลายความเห็นติวางกายวางใจวางจิตในอย่างสิ้นเชิงไม่สืบต่อกันอีกเป็นอนันตการปิอบายภูมิทีอย่างเาวนมีพรนิพานเป็นพิมลุกในเมืองหน้าไม่เกินเจชาติ บุคคลผู้ประพฤ่งปฏิบัติตนเองให้ถึงภาวะอย่างนั้นได้จัดทราบท่านในตนเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยใครมาบอกจะสามารถพยากรณ์ตนด้วยตนรู้ภายในตนชัานเยนในต น, เ, น, น, ตอนเองแต่อาจจะการเทียบเทียงกับคนอ ền, ื่นอยูเทียบเทียงแล้วอีกเทียบเทียงไม่ใช่ว่าสงสัยตัวเองเนะทียบเทียงคือเป็นการควบควมภาวะที่ตนเองเป็นกับ ครูบาอาจารย์บ้างกับคนอื่นบ้างก็งจิดคือความรู้ความเห็นอย่าง น, านี้จะเทียบเทีย ม, ย ม, ยมกันไต่ความรู้หรือ เ, เออทียบเทีกับคสอนพระพุทธเจ้าเนี้ยจะรู้ชั่งภายในตัวเองนั่นแหละจะเข้าถึงคุณค่าทางศาสนาเข้าถึงสารสสำคัญเข้าถึงแก่นสารเข้าถึงตัวศาสนาเพราะนั้นที่ผ่านมาถามเราไม่เข้ามาถึงจุดนี้เราไม่เคยเห็นตัวศาสนาที่แท้จริงเราได้เห็นศาสนาเพียงแค่คําบอกเล่าจากคนรุ่นก่อน ครูบาอาจารย์เป็นคําบอกเล่าแม้ยสิ่งที่จะมาผู้นี้ก็ยังเป็นคําบอกเล่าเพราะเราไม่เคยเห็นเราอาจจะเป็นคําบอกเล่าที่อพิเศษหน่อยเพราะโดยความเชื่อของเราเราเข้าใจว่าการปฏิบัติเข้าไปถึงมากคผลนั้นคงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เมื่อมีการเข้าไปถึงไปรู้ไปเห็นได้แล้ว พอมาดูฟังเรื่องของการปฏิบัติก็กขยับเข้ามาใ้ชั้นการปักจิตมันจะโน้มเข้ามาสู่หลังธรรมโน้มเข้ามาสู่การงจิตเนต่ยแน่นอนว่าบุญก็เป็นส่วนหนึ่ง ชานี้ะดูว่ามีโอกาสอันดีที่พุทธศาสนานนยังลงอยู่ผู้พุทธตามศาสนานยังดีอยู่หลักทาคําสอนที่สอนให้เราเป็นไปเพื่อฟังคนฟังก็ยังมีอยู่ในที่ขายไปไหนแล้วก็พวกเราก็มีความเชื่อมั่น